คือทุกข์กรรมะทั้งที่ พระอรหันต์เจ้าซึ่งมาประชุม ตถาปะปะตะอะคาระนังโกตะระสะทุกขังตัมปะละคือ การไม่ทําบาปทําบุญนั่น ธรรมมาตะพุทธเจ้าโคตมเจ้าได้เริ่มต้นอธิษฐานเมื่อก็มีปรารถนาสําเร็จ ที่มีเปตกลมแล้วเป็นทานแต่พร้อมกันนั้น ไม่จะไปมีแผนที่ไปวนมีหาไม่มีแล้ว เอาก็คิดสร้างให้เป็นฐานเกื้ออธิปังกร กถานะว่าด้วยอำนาจฐานฐานที่ ทั้งเจ้า แล้วไม่ๆสามารถ พระพุทธประสงค์ต่างๆอย่างนั้นมา ปรารถนาพ้นทุกข์แต่ไม่ได้ปรารถนาที่จะเป็นพระ เป็นพระพุทธเจ้าเขาก็เคยเกิดตอนนั้น เนี่ยก็ต้องบำเพ็ญบารมีของสาวก 60,000 3 นิสาคมูชาและก็วันมาฆบูชาอย่างที่เป็น แสดงแม้แต่โพรงพรหมเป็น นี่ว่าอีกอย่างนึงว่าเป็นได้มีบุญที่ บุญเกิดแต่ปุจจตานัยกันก่อนหรือว่าบารมีก็แท้เป็นตัว de bún nõi, menny põi, menny kejed, kejed kejed kejed kejed kejed kejed ต้องกันได้สุดแล้วแต่การคบค้าสมาคมประเสวนากับ ภาษาภูตธรรมดาก็เรียกว่าอยู่บน รูปร่างเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดายากที่จะ หรือสามารถโดยเฉพาะ 4น4น 1, 1. สัจธรรมนี้เป็นสัจธรรมทั่วไปนักเป็น นะมันโยกกันได้จําง่าย คือบำเพ็ญบารมี 10 เพื่อให้ถึงความตรัสรู้ หมดให้เป็นจิตตระวังให้เป็นจิตพุทโธเป็นจิตตื่นแล้วถึงเห็นธรรมสัจธรรม ทำกิริยาเป็นจิตพุทโธจิตที่ตื่นแล้วนี่นะนี่ละโพ ในเชิญชมะข้า รีมอนแสดงว่าวันนี้อัมมัดคนนี้จะได้เป็นอรหันต์ ให้คนที่แก่มากที่สุดผู้หญิงที่เป็นนํากัน ไอ้นมัตตการพระพุทธองค์ยังไม่ทันจะเปิดปากว่า แต่ความอภิชาตสิ้นเชิงเป็นเปรียบเหมือนกับซุปเปอร์ เมื่อนี่ไม่ใช่อมมาดแล้วเป็นว่าว่า โลกแห่งกฎเก่านี้ทําบุญไว้เยอะแยะ พุทธมิตาแล้วอืม wow. จึงถึงไม่ใช่ถึงมืดก็ดูเหมือนมืดแต่เอามา เมื่อยืนเข้าว่าเราเข้าไปห้องพระที่มีพระพุทธรูปแก้วเจริญงัย แม้แต่ดินงามลงไปที่ประกอบเป็น แล้วก็เอาไปฝังดินสร้างพระเจดีย์ แล้วจึงจะได้มามาต่อคําว่ามามาถามว่าทําไมมันรู้ ทุกขธารานังวิสาขาอนัปินนกประจัพพมิเพเยอะแยะนับหมื่นนับแสนเขาเคยจน <lawsuit royable ring para> เมื่อ 2548 ปีแล้วยืนกึ่งการพุทธจักร ก็เป็นผู้มีบุญเป็นอริยทรัพย์อย่างน้อยทีเดียว นี่เป็นแรงถึงเยอะอ่ะ ปัจจุบันปฏิบัติสมาธิจบฌาน 8 โน้ตโมกขธรรมนี่ 6 ปีอยู่งูก็เยอะเสือก็เยอะอาหารก็ไม่มันให้ลูก นี่พระโพธิสัตว์เจ้าก็ผมไม่มีแรง แล้วงูดู 6 ปี มันมันไม่ใช่เรื่องมูลสมคติอย่างของ ปัจจยาอัตนะที่เป็นรูปรกคือเป็นต้นของต้นๆ แต่เลยได้อ่านถึงเป็นนักอยู่ทั้งมัธยมแนวกว่ากว่าของ ก็ยังไม่สําเร็จทําได้เพราะไม่บรรลุอริยตถีนิพพานมันเป็นโอ้มันก็โอ้มัน นี่แล้วก็ลองดูบ้างมันก็เออวางไงหาอือวางกังวลมันสําเร็จจริงมัน มันไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลต้นทุนไม่มีจะ ไม่ใช่มุมดมคติไม่ใช่ปฏิจจาไม่ใช่นักวิชาการแต่เป็น เป็นนักบวชโคนผมเข้าป่าภูนาก็มีเป 10 ปีพอถึงเวลา ตอนแรกวิ่งตามไปขอฟังธรรมเทศนาถึงสงฆ์ท่านก็ เออก็ยั่วว่าเราไม่รู้อนาคตไม่เป็นจริงอย่างงั้น ที่เป็นเกณฑ์เด็ดยืนในวัฏฏสงสารอสงไขยล้านปีมันละได้ ครับโดยเป็นทันทีพร้อมกันถึงหมดกันอยู่ตาม แกว่งไปแกว่งมามันก็สลิกะเหวี่ยงไปสุดซ้ายแกว่ง เป็นการเดินของจิตอืมเวียนไปเวียนมาเวียนเฉยไม่วิ่งไป Teng Avijja, Patiyata, Tankaḷa, Tankaḷa, Patiyavinyana, Vinyanā, Patiyanamulopang, یهو Avijja, Teṣa nirota, Tanka niroto, Tanka niroto, Vinyana nirota, Vinyana nirota, Namulopang niroto, یعنی یاد. De یعنی یاد. De یکو یکو یکو یکو یکو یکو یکو یکو یکو ฟังเพียงแค่นี้อันนี้เป็นตัวอืมเพราะว่าสติปัฏฐานโดยทั้งหมดถ้า เย็กเอาไปเป็นส่วนๆส่วนๆหน้าข้าโดนต่อโจรต่อโจริโฮทั้งกายทั้งวิธนาจิตทำมากๆแล้วเกินแต่สรุปตรงนั้นทุกทุก อันนี้เป็นตัวสติปัฏฐานประโยคนี้ซ้ํากัน ไม่จะไปดูเฉยๆหนังสือธรรมะไม่ใช่อ่านมันอ่านเรื่องก็จดโยไปคือกระดูกลม หัวใจวิตกนี่ที่อยู่ข้างในนี่มันมันอะไรสักแต่นึกสัก เจ้าคุณที่โอ้ถ้าติดประจันไปเออพระเขาบวชมา 30 ปียังไม่รู้เลยว่า แต่บำเพ็ญเพียรแค่นี้ก็พอแล้วน่ะอนาคามมันก็สบายแล้วในจิต เบคาภติเมื่ออาหารการกินไม่ว่าอาหารหยาบ <ม. S 1> ธรรมะทิได้แม่เพียงเล็กน้อยมีปิติทุกข์เกิดขึ้นเป็น พ้นขั้นอืมทีนี้สําหรับผู้ที่มีบารมีไม่ เธออันนี้สำคัญมากวางอืม 15 ปี 85 เงาว่าลาท่านไปออสเตรียเป็นครั้งแรกท่านพูดท่าน เราก็ไปโมดูแกนดูขาเออมันจะประเบิดกัน เนี่ยภิกษุทั้งหลายเธอ a วางข้างบนขันธ์ 5 เถอะขอระบุขันธ์นั้นน่ะอันเดียวกันอยู่ๆมาพูดได้ฟังอีกๆที่ว่าเรา เออคิดเมืองฝรั่งนี่เค้าไม่เหมือนคิดเมืองไทยหาพระเจ้าของเนี่ยได้ทั้งปั๊ด โคนานมันเพิ่งเริ่มในเกิดในแดนตะวัน แต่ตอนนี้เข้าใจกันว่าเป็นเมืองผิวขาวคน คำว่า meditation chanting เป็นที่รู้จักกันทั่ว เป็นอาจารย์บัดหลวงด้วยคนไหนจะๆเป็นร้อยไร่กันคืนเที่ยง แล้วก็ไม่ได้ไปสอนให้ก็เขียนทองกัด ค้างกระใต้ในเรา 5 ปีก็นั่งงานดึกๆน่ะ นี่คือการเอาจิตออกจากโอ้โหพระอืมไม่ได้พูดจะไหนต่อมา ได้ยินเสียงเนี่ยเอาจิตออกจากขันธ์หน้าตัวมันก็จบ คงวันที่ตั้งตัววางบังวนขันธ์ 5 อ่ะสบายยังเอิ่มเรื่องของ ผิดผาดไม่มีเอ้าแล้วก็ลองสิวางกังวลข้างหน้าลองแล้วรูปเวทนาสัญญาทั้ง ถ้ามีการยึดมั่นก็คือยึดก็วางขันธ์หน้าได้เหมือนกันหรือวาง เรื่องเกี่ยวข้องกับหน้าจิตมันกับพ้นแดนสังขารนี่มันก็ ไม่มีสังขารไม่ใช่สังขารไม่เป็นสังขารเป็นจิตบริสุทธิ์หยุดพ้นไปเป็นจิต จิตรู้จักจิตรู้จิตตะเกกะเกจิตนี่จะติดไปข้างแดดอืมพ้นหมดตนอวิชชาทั้งการไปแล้วนิพพาน นี่แหละตัวอย่างที่เขาสําเร็จธรรมกันด้วยอํานาจบารมี เป็นอริยสตินิพพานนี่มืด ให้ใจคิดรับตื่นนำด้วยสติเสียงแจ้ง ไอ้เราคนเดินสติเท่านั้นที่จะไปเรื่องทําอะไรเนาะเป็นที่รวมอริยมรรค <c oughs> แต่ครูอย่างเนี้ยสําเร็จเร็วสติเป็นตัวตัดตัณหาอุปาทานออกไปเห็นไปเห็นลูกได้ยิน <t ella> อันนี้ไม่ของธรรมดาเป็นลกธรรมทั้งขันธ์ทั้งธรรมแล้วก็เห็นถ้าไปเห็นรู้ รูปคือลงกับทุกขวิชชาปัจจยังคการะอืมเป็นสังขารอันนี้ก็สังขารเหมือน พระนิพพานอนาคาๆน่ะเนี่ยฝึกการติปัฏฐานนี้แล้วก็ได้บุญ ย่อมดีกว่ากุศลทุกอืมสมัยบวชเรียนปริญญาจบ ป. ก็ไม่รู้ เพ่งดวงใจเล่งขึ้นไม่ยอมหยุดดูมันเปลี่ยนแปลงไป เกิดปิติสุขพร้อมกันนี้วิทุกวิการปิติสุขเป็นอารมณ์โพธนาหรือว่าอารมณ์ อุเบกขากติโดยสุดท้ายมัน เต็มด้วยกติไปในรูปกัดไม่ต้องไปอยากอืมสกิเป็นอ่ะอืมจับ เรียก Hearing only in the world อืมจบเรื่อง Hearing only in the world ทั้งๆได้ยินไม่มีอะไรไม่มีอะไรอืมใคร กรรมมันไม่เกิดพบไม่ได้เกิดทุกข์วิยทัตจะทุกข์ก็ทุกข์ ใบ้บิ่งหาจริงทุกประอีคก็เกิดเรื่องมีทุกประอีค เมื่อนามมันต่อตัชจะทําให้ไม่มีทุกข์ไม่ เกิดมันไม่มีคําคําว่าลังวันสูญหาย เมื่อเห็นเพทแผนที่เห็นเพทสําหรับผู้สติสมบูรณ์เห็นนิพพานแล้วก็ เมื่อก็สบายกว่านั้นทีนี้ยกตัวอย่างกันอํานาจก่อนจะ รู้รู้รู้กว่ากว่าแล้วบอกว่าลูไปอืมเฮ้ยเตริญสติที่ยืนรู้ตั้ง คำพุทโธคือทุกขตติเจริญวิญญาณสติให้เกิดขึ้นได้แล้วนั่นก็ทราบ อืมแบบรูปๆมันไม่มีทางหรอกวิญญาณสติวิญญาณอืมเป็นพุทธธรรม มันไม่ใช่วิญญาณธรรมดาไปแล้วนี่เป็นใจไม่ใช่ไม่ <os> <t os> แล้วก็ไม่ไปอยากนอนอยากนี่อะไรใช้บริกรรมเป็น ให้กำพรโลกิยสติปะทะรู้ด้วยสัมมาทิญาณของพระ เออโลกุตตรจิตสติจิตวิจิตติจิตตื่นแล้วไม่ไปหลงอะไรก็ เป็นโกฏธัมม์เกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันก็ตามมา พอหลงไปก็อืมหายใจเข้าไปปิติทุกข์ปิติทุกข์หายใจ เป็นนี้ไม่ได้ลิงรถเหมือนกันเถอะเนี่ยนี่เจริญ กิปปาณาบารมีนี่คือวนาบารมีเนาะทำศีลและธรรมมาแล้วทาน ไม่ก็คนบริกรรมพุทโธพุทโธไปสําเร็จสติจิตสติจิตแล้วจิตธัมโมจิตสังโกจิตนิพพานังปรมัง นิพพานนั้นประมาณทุกครั้งนั้นก็จบเรื่องกันที ก็จิตอ่ะมันไม่อยู่ในปรัตตธรรมสิ่งใดอืมโตยเป็นเป็น มันท่องอยู่นึงๆอืมให้นั้นขาดไปไอ้นี่หายไปละใบเป็นไป สิ่งใดเป็นสัจธรรมถึงอืมแก่ธรรมมูลเกิดอืมจิต อวิชชาเป็นอวิชชาเป็นคนเหลืออวิชชาเป็นแสงระหว่าง จิตเป็นเกิดจากจิตเป็นกันแหละนี้มันเป็น begin กติพร้อมนิพพานว่าก็อย่างนั้นล่ะอืมจิตตถจิตโมง องค์วิสังขารเป็นชื่อปนิพพานอืมแจ้งแจ้งเป็นครั้งแรกไม่ พระนิพพานไม่มีกิเลสทุกอย่างจนเมื่อนิพพานังปรมังสุขังเป็น หือมันเหมือนกันอะไรเหมือนกันเขาฉายหนังอย่างลูกแกะดาวแตกผู้ ความอันนี้ก็เหมือนกันว่าคลื่นมันหายไปแล้วอันนี้ อธิกธรัหว่างโลกวนิคมอธิดวงอธิกับแสงอาทิตย์กับติด แต่จริงผมจะปฏินั้นก็แจ้ง อำดับไปของตัณหาอะตัณหาอุปาทานติเห็นแต่ก็เห็น ความง่อยึดมั่นขันธ์หน้าก็เกิดดับเป็นตัวเป็นตนเราเขามัน การว่าพ้นลูกเห็นแต่ อริยสักเกสามิเป็นตัวทําการเป็นพุทธปัญญาอันนี้มันเจ่ม อักขาทิฏฐิตกาติฏฐิความงูในขันธ์หน้ามันมันดับไปจริงๆไม่ไป ความปัณณขณะอนิจจตทุกข์ดับอันนี้ที่อืมๆ ไอ้อย่างอนัตตาอยู่นี่ๆเนี่ยในในปฏนสูสมาธรรมตัวอย่าง ก็ไม่ถึงขนาดกับพองาวๆ แค่นี้อริยะก็ตระทุกข์กิติที่พระเจ้าทรงตรัสอุปาทานขณะคุณ เพราะทั้งเหตุตนอุปาทานดับถึงจึงเคยทําให้แจ้งอันนี้ ถึงทําให้แจ้งแจ้งแล้วอันนี้จริงๆแจ้งกว่าทุกคืออะไร effective วิธีอากาศเหมือนระเบิดนิวเคลียร์ออกไปแล้วศูนย์ของมัตเตอร์ ขั้นเจริญธัมมปฏิปัฏฐานขึ้นสําเร็จมันเป็นเหมือนกับลูกระเบิดปฐมมาโนระเบิดนิวเคลียร์กระจายหายตมุตอืม รู้แต่เป็นลูกเลยยินได้ได้ยินว่าเป็นเราๆเป็นตัว พรหมก็คุณบาปมันก็ตามมาเป็นทุกข์ ที่แท้จริงพึงละแล้วได้แล้วอันนี้ถ้าติดตามความ มันมีอยู่แล้วกรรมธรรมชาติแต่มันมันเลิกขับขันมี देखो ปุประธานเรื่องเรื่องโหมันไม่มีแล้วเรื่องโลกเรื่องเราเรื่องเขาเรื่องพบ ประการนี้ไม่ใช่มัธะธรรมก็จบเรื่องไอ้นี่นิเต็มแจ้งทําทั้งไหนตามความ ยังกิญจีติมุตติยธรรมังสัพพังตังนิโรธธรรมติอันนี้โอ้นี่มันก็ง่ายเกินไปแล้ว ไม่ว่าอย่างนั้นได้ยังไงท่านอุปาทาน ไม่มีกลับมาเกิดใจอีกเอออันนี้ไม่ได้ถูกต้องอ่ะอัน นักธรรมฉันตีก็มีได้เรื่องถวิล เกลี้ยงแจ้งอมตะธรรมคือเป็นตัวทำกันตัวความเห็นมันเป็น ไม่มีเรื่องเกิดจะตายอะไรเป็นอืม เรากล่าวพระนิพพานเป็นสุขอย่างอือคือเต็มแก่สัจธรรมยอดเยี่ยมอือคือ โรคไม่ใช่ลูกก็ท่านก็บอกว่าอวิชชาปัจจัยทั้งหลายสวน สำเร็จ 2 ที่พระเจ้าแสดงบ่อยๆตั้งแต่แล้ว ก็มีการโทษอภิธรรมทั้งนั้นน่ะ ก็ไม่มีจริงๆอุปปาทณะขณะเป็นของโกหกจริงๆไม่คัดค้านเออของคงกัน อมตธรรมไม่ใช่อืมแจ่มแจ้งกันวิปัสสนาญาณ 2 องค์ที่พุทธเจ้าอืม ธรรมวิชาปฏิจจังคามันแต่งขึ้นมาทั้งหมดมันไม่ว่าเรื่องพี่ไม่ มีระบบเลขีตพัฒนายานทรงที่พุทธเจ้าทรงๆ เออก็หมดอืมๆอืมอืม ถ้าคุณเป็นนักผู้นี่วิปัตตนายานโถที่พระ สติภาวนาตามทางแห่งเยตะติๆโยกลงไปสติ อ่านทีคำนะนิโรธกบความหมายก็คือความดับทุกข์ที่ อยู่ว่าแจ้งแจ้งในจิตใจว่าความคิดว่าเป็นเรา คำว่านางวันทองโรบินฮูดมันเป็นเสียง 100% มันไม่มีตัวตน เพราะงั้นในความทุกข์ที่มันเกิดจากโง่ไม่ใช่ทุกข์เพราะเสียนั่น นี่แจ้งอำมาตย์ทำเป็นของอืมปรากฏความดับ ก่อนสงสัยในปริยตตินิพพานมานี้เอา ไม่ต้องไปอธิบายเอาตามทันว่าเลยสติอย่างงงสู่ สติได้ยินแต่ก็ได้ยินสติอย่างหนุ่มสูบเอามา บริกรรมบทพรไม่ใช่ไปคิดท่องเอาแต่ปิกนี่ปัญตินิพพานเห็นแต่ก็เห็นไม่ กวนจอยแปลดีทีนี้เอาปฏิโลมมาอีกไม่อยู่อวิชชาปัจจายสังขารเป็นนิพพานอนุโลมปฏิโลมนิพพานสติจิตนิพพาน แท้ทุกวันก็แจ้งเป็นธรรมดาดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์ก็จิตปุถุ สตินิพพานนิพพานสติจิตนิพพานเป็นมีสติเป็นปกติธรรมดาไม่ คิดเตรียมแจ้งนิพพานเป็นปกติได้ยินก็นิพพานเห็นก็นิพพานรู้ก็นิพพานได้อืมอืม อืมก็สบายไปเท่านั้นน่ะอันนี้ คืนนี้เนี่ยก็เป็นอันโพแล้วไม่มีเรื่องอะไรให้ทํา บริกรรมไปคําเดียวฉะนั้นอืมไม่ต้องไปทํามากอย่างแล้ว ถ้าที่ไม่ทํางานประเผลมันก็หายไปแล้วอืมอย่างนั้น นะะตะหนูไปตะหนูทำทั้งจริงๆ สติโภนาทั้งหมดอืมอืม ก็ได้สติทั่วไปคือพอพูดตรงอืมถึงนิพพานด้วยอริยมรรค เมื่อกระท่อมทํารู้ตามนั้นคือทําทางไหนไม่ปฏิเสธมันมันจะพ้น คนนี้พรรคก็ไม่ได้กระทืบมั่นอืมได้ก็ทําว่าตามทั้งสอนไปอืมแก่ทุกข์ คำทั้งหลายในพื้นจริงๆก็สบายทั้งนั้นที่จิตติดพ้นกังวล นิสัยติดทั่วไปนี่มันฝึกกันไว้อืมฉะนั้นเวลามาเกิด แก่พอแล้วไม่จะจนจะตายมันก็แก่แล้วเจ็บตายมันก็ ที่พ้นจากความยึดมั่นถึงมันเสร็จแล้วที่ท่านแสดงไว้ว่าอนุปาทานัง เมื่อจะสติโพอ่าเรามาภาวนากันอย่าง <c oughs> <c oughs> เป็นจิตที่ตื่นแล้วไม่หลับ เกิดโตตกเตลุเหมือนอืมที่จิตทนถึงมันหลุด rupa danang wimut cantik leuk yit man luk pai jitt jitt toto így én tự động được lập được phấn được ngủ được thục chỉ phải giúp một thôn phật na นิพพานสติปฏิญาณรู้อมตะ เต็มแกงอืมสติเต็มแกงนิพพานประกันเดียวนิพพานนั้นทํา Huy éjt